ดูก่อพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอัศทะของเวทนาทั้งหลายอัศทะนี่นะของเวทนาจรงิงๆเนี่ยระดับไหนความสุขที่แท้จริงเนี่ยความสุขที่เป็นกา ม, มาวจรความสุขในกามความสุขในรูปมันก็เป็นสุขที่ไม่ดีจรงิงถ้าเทียบกับระดับความสุขในฌานเพราะฉะนั้นอัศทะของเวทนานั้นจึงกล่าวระดับฌานเพราะถ้าสุขในกามทั่วๆไปเขาเรียกว่ากามมาสุข <NYU. S 2> เขาไม่เรียกว่าสุขโดยเวทนาเป็นหลักเขาจะเรียกว่ากามมาสุขสุขในรูปสุขในกรรมอันนั้นเป็นอสาธาของรูปอัสาธาของกรรมแต่พออสาธาของเวทนาคืออะไรดูก่อนพิสูจนทั้ง <nichts. S 1> หลายพิกูจในพระธรรมวิไนน้สงังขจากการมสังขจอากุโสระธรรมเธอบรรลุปถมชานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่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 มีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งถามว่าคนที่มีความอิ่มอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะต้องการจะต้องไปกระทบกระทั่งอะไรกับใครเมื่อไรอย่างไรไหมถ้ามีความสุขอยู่ในตัวเนี่ยงั้นความอิ่มในชาเนี่ยเป็นอิ่มที่ไม่เจือด้วยกามไม่เจือด้วยอกุศลเป็นความสุขที่ระดับมีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติมีแต่ความสุขที่เกิดจาก ความวิเวกเนี่ยนะวิเวกสงัดจากบาปและอากุศลธรรมทั้งหลายจิตเป็นเอกคัขะตาเป็นความสงบภายในก็เรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีเยี่ยมเลยเนี่ยนะถ้าคนที่มีความสุขแบบนี้แล้วต้องไปหาความสุขจากอย่างอื่นไหมความสุขในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะถ้าพูดตามมาคันธยะสูตรพระองค์ก็บอกว่า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 ผู้ที่ได้การมาสุขยังอยู่ในการมาพบผู้ที่ได้สุขในเวทนาผู้นี้สุขในสะดุกสุขระดับชายพรหมนะมีความสุขในระดับพรหมโลกนั้นะนั้นปฐมชานี้ก็เรียกว่าเป็นอาัศทาะาของเวทนาของของเวทนาเพราะความสุขในปฐมมชานี้ถือว่าสุขที่ประนีตเนี่ยนะจนบางลัทธิถือว่านี่แหละคือนิพพานความสุขสุขเวทนาที่เกิดใน ปฐมฌ า, านบางลัทธิศาสนาเขาจึงบอกว่านี่แหละคือนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกนี่แหละเป็นธรรมที่สงบที่แท้จริงเพราะงั้นนั้นถามมาทั่วๆไปคนที่ฝึกสมาธิทั้งหลายจะบอกเลยว่าความสุขแบบนี้แหละคือนิพพานทั้งๆ ท, ที่นั่นคืออัศทะของเวทนานี่เป็นสมุทัยศัสตร์นะความเพลิดเพลินติดใจในสิ่งเหล่านั้นเป็นสมุทัยศาสตร์จะไม่ใช่นิโรธศสตร์จะแต่ไปหลงประเด็นเห็นทุกขศาสตร์เห็นสมุทัยนั้นแหละว่าเป็น นิโรสัจจะอันนี้ก็คือความผิดพลาดในระดับสูงว่างั้นเะทเรียกว่าผิดพลาดในเป้าหมายว่างั้นนะดูกอนพิษุททั้งหลายเอกประการหนึ่งภิกษุบรรลุธุติยฌ า, านมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่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 กล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยที่เธอเข้าตติยชานนั่นแหละสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนเพื่อจะทําลายผู้อื่นเพื่อจะทําลายทั้งสองฝ่ายสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนาไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเป็นเวทนาช่นนีที่เราไม่เบียดเบียนใครทั้งนั้นแหละแม้ตัวเองก็เป็นสุขะนะและช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย เพราะฉะนันดูก่อนพิสูุทั้งหลายเรากล่าวอัศทะของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งมันความน่ายินดีของเวทนาทั้งหลายก็ขณะปฐมฌานทุติยฌานและจตุธาฌานเนี่ยนะมาดูจตุธาฌานบ้างดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพิกษุบรรลุจตุธาฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมณตก่อนก่อนได้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 เวทนาจะในรูปหรือเวทนาก็ตามมันก็บวกสัญญาสังขารและวิญญาณเข้าไปในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นแหละคืออาัศทาะของขันห้าถ้ากล่าวเวทนาอย่างนี้ก็คืออัาธะของเวทนาทั้งหลายแล้วโทษของเวทนาล่ะอาทีนวะของเวทนาพิษภัยทุกโทษของเวทนา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 เวทนาก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะนนั้เห็นจะเห็นความไม่เที่ยงของรูปและเวทนาเพราะนี้พวกนี้ก็จะเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและ ว, วิญญาณเมื่อเบอื่อหนักเมื่อเบอื่ อ, อหน่ายก็ถ่ายถอนเวทนาได้ก็ถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายได้ก็ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการกําจัดการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายเสียได้นี้เป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลาย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 ถ้าพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้แบบนี้ล่ะดูความพิสูจทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอัศทะของเวทนาทั้งหลายโดยเป็นอัศทะไม่รู้อาทีนวะโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษและนิสระการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจักรอบรู้จักรปริญญาในเวทนา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 ผู้ใดเลื่อมใสในพระองค์ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้หรือสูตรที่สองเนี่ยประกาศว่าพระองค์นั้นมีพระพุทธคุณเหล่าใดบ้างสูตรนี้กล่าวถึงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่ว่าไม่แบบอะไรนะได้แต่ลําพองยะโสโอหังอวดอ้างสรรพคุณว่าข้าคือพระพุทธเจ้าข้าคือพระพุทธเจ้าและท่านเป็นพุทธเจ้าท่านรู้อะไรบ้างข้าคือพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแค่ๆนะกับพรหมท่านหนึ่งประกาศพรหมนี่แหละบอกว่าเขาก็บอกว่าข้า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 สามารถทําที่สุดนะพ้นจากรูปทั้งหลายได้เมื่อพ้นจากรูปก็ถือว่าพ้นจากภาระพ้นจากรูปถือว่าเป็นพ้นจากภาระเขาบอกเอางเนีตาเนี่ยนะตานี่เป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราตานี่ไม่ใช่ของเราจะให้เรารักษามันอยากจะเห็นดีมันก็เห็นมันไม่อยากเห็นดีก็ไม่เห็นนะเอาเนี่ยแต่ว่าให้เรารักษาแล้วมันของใครอะของชราและมรณะแต่เธอดูแลไปกันแล้วกันหูก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแต่เธอดูแลให้มันดีนะ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 ใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ฉันบวกราคะโทสาวโมหะให้ไปนะโอย้ยจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมแต่ผ่านรัปุตุชนมันของเรามันเรามันอัตตาของเราโอ้ยยืด ท, ทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรจะให้ยึดเนี่ยนะเชื่ออันนี้ตอนฟังนึงก็เออใช่ใช่เป็นตามคำสอนนั่นนะเราเข้าจริงบอกไม่ใช่อ่าอุ้ยแยกส่วนได้เนี่ยใช่ไหมอันนั้นของพระพุทธเจ้าอันนี้มันของเราเนี่ยนะของเราก็แทบบอกว่านั่นของความรู้พระพุทธเจ้า น, นี่มันความรู้ของเรา รักษาภาวะปุถุชนได้ดีมากน่อาอจริงนะแต่ถ้าบอกุอ่าพระองค์ตรัสจริงแท้เมื่อไรก็เห็นแบบที่พระพุทธเจ้าพาเห็นอันเนี้พร้อมที่จะเป็นพระอริยาสาวกเพราะอะไรมีศรัทธาอันมั่นคงว่าสวากขาโตภะคะวตาธรมโมเมื่อไหรก็บอกว่าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพราะเป็นธรรมที่เรียกว่า